เทพในที่ประชุมสงวันที่สองกันยายนสองพันห้ารอยห้าณวัดปามานตาดจังหวัดอุดรธานีผู้จะได้กำลังทางด้านจิตใจหรือได้คติเครื่องเกือนใจของตน จะได้ในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์แล้ออกหาความสงัดวิเวกในที่แห่งใดแห่งหนึง่งเป็นเวลาชั่วคราวแล้วเข้ามาถูวงครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพอได้อุบาลแล้วก็ออกหาที่สงัดวิเวกเมื่อเกิดข้อข้องใจทำส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่าน มีการเข้าเข้าออกอ่โดยวิธีนี้จะได้อุบายขึ้นโดยลำดับแต่ผู้ที่จากครูบาอาจารย์ไปทั้งๆ ท, ที่จิตใจของตนยังไม่มีความแน่นอนทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาผู้เช่นนี้จะไม่สามารถนำตัวให้ปลอดภัยไปได้อันหนึ่งการมารับการศึกษาจากท่าน พึงเป็นผู้มีสติคอยสจำเนียเสมอทั้งทางตาที่จะคอยสอดส่องมองดูอากับจีเียาการกระทําของท่านและหมู่เพื่อนด้วยความสนใจจริงๆทางหูก็พยายามศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจจากท่านและหมู่คณะพอที่จะเป็นสติสอนใจได้มีความพยายามปรับไฟอยู่เช่นนี้ที่ว่าผู้มาศึกษา และจะได้สติปัญญาเป็นเครื่องครำสอนตนเองในการข้างหน้าแม้อาจารย์หรือหมู่คณะที่ตนถือว่าเป็นที่เคารพได้จากไปหรือตนได้จากท่านไปแล้วคุณธรรมที่ตนได้รับจากท่านมาจนเพียงพอภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอาจารย์แทนท่านแนบสนิทยอยู่กับใจของเราเวลาเรามาศึกษาจากท่าน ติธุระก็ไม่มีอันใด น, นอกจากจะพยายามอบรมตนโดยทางเดียวเท่านั้นโดยมากผู้เอาตัวไปไม่รอดเนื่องจากเวลามาอยู่กับท่านไม่มีความสนใจอย่างจริงจังเบื้องต้นก็ตั้งใจมาศึกษาขั้นต่อมาเพราะอำนาจของจิตตัวหยาบๆคือความเจตคานเข้าแทรก ส, สิงในหัวใจ ความตั้งใจนั่นก็เลยน้มละลายไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ามาอยู่กับท่านพอเป็นชื่อเป็นนามแล้วเอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปขายจีนก็มีมากนี่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทําให้หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์ เียหายไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดจำไว้ผู้ที่ ม, มุ่งมาศึกษาจริงๆท่านพูดอะไรหรือเห็นปิยายาส่วนใดที่ท่านแสดงออกมาต้องเข้าถึงจิตยืดไว้เป็นหลักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆนี่คือว่าผู้มาศึกษาเพื่อมุ่งประโยชน์แท้ ส่วนมากผู้มาอยู่กับท่านออกไปแล้วเกิดความเสียหายทั้งกำลังใจก็ไม่มีและก่อความกังวลใส่ตนเองตลอดหูเพื่อนด้วยกันเนื่องจากมาศึกษาลืมความปรารถนาหิือเจตนาื้องตนของตนไปเสียเรื่องจึงเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ไปศึกษาจากท่านพระ อ, อาจารย์มั่นของเรา เมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่คำนึงถึงนิสัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปเพราะได้ยินเสียงนีะบ้างเล็กน้อยหนึ่ง้งความสำคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านโปรดให้มัง่งสองว่าท่านเป็นครางแห่งกิเลสบ้างสามเกิดความกลัวในท่านบ้างสี่ ว่าท่านไม่น่า่วมใสเพราะความเข้าใจว่าท่านเป็นกลางแห่งที่ดีบ้างแล้วก็เข็นนี้ไปเพราะความโง่แคล้วเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยกลายเป็นเรื่องแบบกแนวไปเสียความจริงถ้าลงได้เชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในคาพูดจะเสียงหนักเสียงเบา เสียงค้อเสียงแรงต้องสังเกตเหตุผลจากคำพูดเป็นของสำคัญคำพูดที่ท่านพูดออกมาทุกๆคำนั้นมีเหตุผลพอที่ผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์หรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วแสดงว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยธรรมควรยึดมาเป็นคติทันทีเพียงเสียงไม่เป็นของสำคัญอะไร เพราะฝ้าร้องบนอากาศจะมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียงครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทำไมจตึงเงย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความฉลาดในอุบายต่างๆที่จะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกจิแต่ละลายละลา ย, ลลายมาให้ซ้ำกันเพราะนิสัยของผู้มาศึกษามีจำนวนมากและต่างๆกันถ้าท่านจะวางมารยาทคาพูด คำจาโดยทางเดียวแล้วซ้ายผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่รับประโยชน์จากท่านก็ไม่เห็นจะได้ความเฉลียวฉลาดเท่าที่ควรเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉลาดสามารถจะแนะนําบรรดาศิษย์ทั้งหลายให้ตรงกับจดิษณนิสัยของจิตนั้นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ไม่ฉลาดสามารถจะยังโรคที่มีอาการต่างๆให้หายได้ด้วยยาเพียงแต่ทราบว่าโรค เท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใดพราโรคที่เกิดในสัตว์และบุคคลมีจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนานสําสำหรับในแพทย์ผู้ชาราที่จะนำมารักษาโรคนั้นๆใครเป็นโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์คนรนำยาขนานนเดียวเท่านั้นไปรักษาแล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไร ถ้าเป็นโรคที่ควรรับยานั้นอยู่บ้างยาก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นโรคประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาขนานนั้นแล้วยาขนานนั้นก็ไมผิดอะไรกับน้ธรรราธรรมดาหรือวัตถุธรรมดาถ้าเป็นนายแพทย์ปุถุพราตเมื่อคนไข้เข้าไปหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรตลอดสมุทฐานของโรคว่าเป็นมาอย่างไร ต้องถามให้ละเอียดเมื่อคนไข้เล่าอาการของโรคให้ฟังเท่านั้นหมอไม่จําเป็นจะต้องถามว่าท่านเป็นโรคชื่ออะไรเพรเรื่องชื่อหรือยื่งนามของโรคไม่เป็นของสําคัญสําคัญที่อาการของโรคเป็นอย่างไรมีอาการเจ็บปวดที่ไหนเพียงคนไข้เราเล่าอาการให้หมอฟังเท่านั้นหมอก็ทราบทันทีพร้อมทั้งนํายารักษา ร่ามทางนำยามารักษาคนไข้นั้นนันให้หายไปได้มีลักษณะของในแพทย์ผู้เชาดต้องถามอาการของโรคให้ชัดเจนแล้วก็นำยามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นนั้นโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้ก็ฉะนั้นผู้จะรักษาคนไข้ต้องถ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่า การตั้งตัวเป็นหมอก่อนเรียนวิชาแพทย์คนไข้ที่มาอาศัยจะไม่ผิดหวังทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมถ้าเป็นหมอแบบสุ่มเดาจะไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้และไม่ผิดเกลียดอะไรกับคนธรรมดาซึ่งไม่ได้เป็นหมอทั้งเป็นอัคนตรายแก่คนไข้เป็นจานวนมากด้วยเรื่องของทูบอาจารย์ก็มีลักษณะเท่นเดียวกัน ถ้าไม่มีความฉลาดสามารถปฏิบัติต่อบรรดาผุ่มมาศึกษาได้แล้วใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียวคำพูดงนิดเดียวกันหมดตลอดธรรมะก็เทศอย่างนั้นเท่านั้นยกขึ้นบทเดียวบาทเดียวคาถาเดียววันไหนก็ยกขึ้นบทนั้นบาทนั้นคาถานั้นแปลว่าอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างนั้นเท่านั้นใครจะมาศึกษาแปรลบเรื่องอะไรก็ไม่สนใจใครจะมีความ รู้สูงต่ำขนาดไหนใครจะอยู่ในขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิและขั้นปัญญาอาจารย์ไม่เคยสนใจสอนแต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวเท่านั้นนี่พึงทราบมาอาจารย์องค์นี้จะไม่สามารถนำบรรณาจิตให้ได้รับผลประโยชน์ผมเกียตนาที่ได้อุตสาหพยายามมาเพึ่งพิมอิงไว้ กับอาจารย์อยงค์นานๆแต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความรู้ทั้งอัธยาศัยของบรรดาภู้มาศึกษาว่ามีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีความหนักเบาในแง่ไหนตลอดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาปรายรบและสนทนาซึ่งกันและกันแม้จะไม่ทราบโดยยานก็ต้องทราบโดยวิธีสนทนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจ และต้องปฏิบัติให้ถูกกับจริตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผู้นี้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยอย่างนี้ผู้นั้นต้องใช้อิริยาบยา ด, ด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาซึ่งไม่เหมือนกันมี่ถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอัตธรรมทั้งรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมมาแล้ว จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ผู้มาศึกษาไม่ได้พิจารณาพอเห็นกิริยาคำพูดของท่านสูงบ้างต่ำบ้างค้อยบ้างแรงบ้างเลยมายึดเอาเสียงนี้เสียว่าเป็นตัวกิเลสตัวตันหาและถือว่าเป็นฆาสิทธ์ต่อตอนเองนิ้นํายังเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นเชือราัานหนึ่งซึ่งจะกัดี่ต่อไปเสียแล้วก็เ น, นีไปด้วยความโง่ของตนที่ถูกวรคิดดูใกล้ ตั้งแต่นายแพทย์ฉีดยาเข็มแทงเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษต่างๆกันถ้าโรคบางรายถึงต้องผ่าตัดโรคบางรายเพียงรับทานยาเขาหายโรคบางรายต้องสับฉีดและผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกตามวิธีการของแพทย์ซึ่งมีมากอย่างต่างๆกันแต่จะเป็นวิธีใด ก็ต้องทําให้ตรงกับเรื่องของโรคเพื่อให้หายทั้งนั้นโรคที่ควรรับทานยาก็ต้องรับทานโรคที่ควรฉีดก็ต้องฉีดโรคที่ควรผ่าตัดมากน้อยก็ต้องทําตามความหนักเบาของโรคและสมุดฐานของโรคโรคเป็นอยู่ที่ตรงไหนควรจะทําอย่างไรนายแพทย์ต้องทราบโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะรักษาคนไ ข, ข้ไปไม่ได้ เรื่องนี้เราลองไปถามดูตามโรงพยาบาลและสถาคนคลอยิปต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราทานเข้าไปก็จะทราบได้ว่าวิธีการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆจะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึง่งอีกคนหนึ่งเป็นอย่างหนึง่ง ตลอดมารยาตอัตยาสัยอันดีงามซึ่งเป็นโอสุดขนาดหนึ่งที่หมอจะควรปฏิบัติต่อคนไข้ทุกๆรายไม่ซ้ำรอยกันเพราะคนไข้มีหลายประเภทแต่ให้ชื่อรวมเป็นอย่างเดียวกันสำหรับโรคที่เกิดจากคนไข้มีแตกต่างกันเป็นจำนวนมากมายเฉพาะนายแพทย์ผู้สามารถจะรักษาโรคให้หายนั้น ต้องเป็นผู้ชฉลาดทันกับโรคของคนไข้ที่มารับยาธรรมะบางอย่างก็ต้องมีหนักบ้างเบาบ้างค่อยบ้างแรงบ้างสูงบ้างต่ำบ้างตามเจตินิสัยความงง่ความฉล า, าดมากน้อยของผู้มาศึกษาแต่จะเป็นธรรมประเภทใดพึงทราบว่าเป็นยาแก่โรคหัวใจคือโรคที่อาสวะให้เบาบางและหายสนิท จนเป็นจิตที่บริสุทธิพุโทโธขึ้นมาทั้งดวงเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ฉลาดรักษาคนไข้หายได้ด้วยยาโดยวิธีต่างๆดันั้นในเรื่องทั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ทุกกรณีไม่ใช่ฐานะของคนไข้จะมาบังคับบรรทานายแพทย์ให้เป็นไปตามใจของตนหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำส อ, สอนบรรดาจิตผู้มาศึกษากับท่านถ้าเป็นอาจารย์ผู้ สามารถจะนำพระศาสนาและบรรดาจิตให้เจริญรุ่งเรืองได้แล้วใจต้องเป็นไปตามแนวทางอันเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัยธรมาแปดมะ8นส0 0พันก็ทมขันทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากอุบายคือความเฉลาดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอเอกรักษาโรคภายในใจของบรราศัตให้หายได้ นอกจากนั้นยังกลายเป็นพลเมืองดีอีกเป็นจำนวนมาก ผ, ผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความเชื่อความรุ่นใสตามกำลังในฐานะของตนแม้จะอยู่ในค า, า, าราะก็พอเป็นพอไปในสมบัติพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเกียดครานทำงานเพื่อหาใ ไ, ได้ทั้งนัก บ, บาาวชและคารวะตามส้อควรจากเพศของตน พอพูดถึบพระพุทธศาสนาพระอดอยากขาดแคลนในเครื่องอุโภคบรีโภคและดำเนินการคลองขีพไม่ทันเขาจะเห็นได้เช่นผู้แสวงหาไรายได้ไม่เพียงพอแต่การคลองขีพหรือนัก บ, บวชทำตนให้ขัดความรุ่มใสและเชื่อถือไม่ใช่เป็นเพราะพระศาสนาสอนให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเพราะสันานเกิดจากเขาผู้ชอบเอง แล้วทําตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหากถ้าผู้สนใจใคล้ต่อพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องมีความร่มเย็นในตนและครอบครัวอยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เป็นที่เรียนเกียดติแก่มูอเพื่อนและสังคมทั่วไปทั้งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนไม่มีใครระแวงสงสัยเพราะมีทําในใจ เช่นเดียวกับผู้มีเครื่องดื่มเครื่องรับทานไว้คอยต้อนรับคนหิวก็หายที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะแปดหมื่นสี่พันก็ธรรมขันถึงทราบเช่นเดียวกับตัวยาที่นายแพทย์นํามารักษาคนไข้ซึ่งมีต่างกันโรคหัวใจคือโรคที่เรศของคนและสัตว์มีมากมายเทียบกับคําว่าคนไข้คําเดียว เมื่อแยกประเภทของโรคจากคํำมากคนไข้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรคคําว่าโรคจิตหมายถึงโรค ก, กิเรศเครื่องบีบบังคับจิตใจก็แยกประเภทต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโรคกิเรศอาศวะที่เป็นประยุทอย่างแน่นหนะาภายในใจของติต ที่เรียกว่าโรคมืดทั้งกลางวันกลางคืนเข้นตามองเห็นแต่ใจมองไม่เห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รู้เรื่องจึงควรให้นามว่าโรคมืดแปดด้านโรคมืดแปดทิศแปดด้านได้แก่โรคที่เลสตังหาอาสมะเพราะเวลาที่เลสได้เข้าจิงหัวใจแล้วมันมืดไปหมดสามารถฆ่าได้ทั้งคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าว่าเป็นใคร แม่มันดาบิดาผู้บังเกิดเก้าเลี้ยงมาแต่วันเกิดฆ่าได้วันหนึ่งกี่ศกไม่ทราบแล้วแต่ความดันของโลกที่เรกมันสูงขึ้นมากน้อยเมื่อความดันของโลกมันสูงขึ้นมากก็ทำความชั่วได้มากและจะทำได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีความอิดฉาอาใจต่อการทำความชั่วเพราะความดันของโลกมันสูงสุดขีด เม่หลอดไม่สามารถจะวัดาด้จนนในแพทย์ทุกคนต้องยอมจำนวนต่อโรคประเภทนี้ทั้งนี้อธิบาเทเตียงให้บันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปสำคัญในคำพูดจากกิริยามารยาทสูงต่ำให้ยึดในหลักเหตุผลเป็นของสำคัญพุ่มมุ่งต่อหลักเหตุผลจะได้ทำอันล้ำคาไว้ไว้ครองหัวใจของตน แม้จะจากครูวาอาจารย์ไปแล้วก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญที่จะจิบพรศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการสั่งสอนนูเพื่อนและประชาชนทั่วไปเพราะความฉลาดรอบคอบและยึดหลักไว้นด้ในกราอาศัยอยู่กับท่านเรามาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจเวลาจากท่านไปไม่มีหลักยิดก็ลำบากนำพังความจดจำ ที่ได้าจากท่านเท่านั้นยังไม่พอที่จะนำไปรักษาตัวให้คุ้มข้อสำคัญก็ให้ใจของเราได้รับความสงบพอเป็นหลักฐานทางภาัในเริ่มกจสมาธิ้นไปถึงปัญญาขั้นกลางเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ถึงปัญญาขั้นสุดยอดถ้าเป็นผู้มีความหนักแน่นต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยจำกับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดๆตจิตใจเลย ลำพังการมาศึกษาจากท่านตรงนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเราและยังไม่สามารถจะรักษาตัวของเราให้พ้นผ่านไปได้อาจจะเกิดความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอันรุนแรงมากระทบเข้าจะกลายเป็นคนเสียหายขึ้นในขณะนั้นก็ได้เพราะการจดจํามาจากท่านเป็นสิ่งที่หลงลืมได้ไง่ายไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิทอยู่กับใจของเรา เสมีดกระที่วางไว้นอกกายของเราเป็นดังนี้ที่เราเหน็บพกไว้เป็นดังนี้และที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นดังนี้เวลาจะนํามาช้าให้ทันท่วงทีมีดที่เราวางไว้นอกกายของเรารู้สึกท่ามากมีดที่เหน็บอยู่ในพกเร็วเข้าหน่อยส่วนมีดที่เราถือไว้กับมือถ้าได้ ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมะที่เราเรียนมานั้นอย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์นั้นอย่างหนึ่งและธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งเนื่องมาจากการอบรมกับครูบาอาจารย์นี่อย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาเราเรียนมาโดย ที่เราไม่ได้อบกลมทางด้านจิตใจเลยเชียนเดียวกับมีดที่วางไว้นอกการของเราธรรมะที่ได้จากการอบรมกับครูบาอาจารย์จำได้ว่าท่านสอนอย่างไรเป็นต้นเช่นเดียวกับมีดที่เราเหน็บไว้ในพกของเราส่วนธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเนื่องมาจากอุบายที่เราได้จากครูบาอาจารย์เป็นผลประจับขึ้นกับใจของเรา เช่นเดียวกับมีดที่เราถือไว้ในมือและธรรมะส่วนนี่แลจะเป็นเครื่องรักษาความปลอดภัยให้แก่เราได้มากกว่าธรรมะทั้งสองประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจงพยายามขุดค้นธรรมะประเภทนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับเราเที่ยวหยิดยินิ่งของของใครๆมาใช้นั่นเอง พอถึงเวลาแล้วต้องส่งทีนเจ้าของเดิมส่วนสิ่งของที่เราประดิษฐ์คิดขึ้นหรือต่อเสวงหามาได้เองเช่นเงินทองเป็นต้นเราใช้ได้สะดวกโดยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใดธรรมะที่ได้รับจากท่านเป็นเหตุให้หลงหลงดืมดูบางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งอาจมาผชิญ หน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับใจของเราแล้ ว, ลว<ๆ>ก็จะนํามาใช้ในทันท่วงทีนี่คือจิตใจที่มีรากฐานผู้มีหลักจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีหลักจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากความวอกแวกตอนแทนหรือความมันไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกัน ุขทุกข ท, ที่จะพึงได้รับก็ต่างกันผู้ไม่มีธรรมะภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการศึกษาอารมจากอาจารย์เท่านั้นเวลาไปประสบอารมณ์ระหว่างรูปเขียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ก, กับตาหูจมูกลิ้นกายใจประสานกันเข้าเท่านั้นทําให้เกิดธรรมาลมภายในใจจนหาที่ตรงลงไม่ได้ผลคือความรุ่มร้อนก็แสดงเปรวขึ้นมาที่หัวใจทันที แต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะกระดิกทิศแแลงอุบายต่างๆในทางปัญญาของตนให้รุดพ้นจากสิ่งแวดล้มอม น, นั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่ออบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านสอนไว้จนปรากฏผลขึ้นภายในใจเป็นขั้นๆ น, นับ แต่ขั้นความสงบเบื้องต้นจนถึงขั้นความสงบได้ตามต้องการเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ปัญญาก็โปรดทราบว่ามีความสาคัญเสมอกันจงพยายามฝึก้นในโอกาสอันควรให้เป็นคู่เพียงกันไปจนมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาจะไปที่ไหน ก็พอรักษาตัวได้การระเวียงระวังภัยภายนอกก็นับบรนน้อยเลยผู้มีธรรมเป็นหลักภายในใจมีความสะดวกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปในจะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุการณ์อันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่ได้รับรออการอบรม จ, จิตใจแต่รับความชอกช้ำต่างกันมากเพราะอารมณ์แม้ทงิดเดียวกัน เรื่องที่คราวนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดนอกครอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรมและความรู้จึกเป็ น, นลายายไปสภ า, าวะธรรมทั่วๆไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาดยอมกลายเป็นข้าศิกต่อเราได้แต่เมื่อใจฉลาดจนพอตัวแล้วยอมเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจะเสด็จ อจที่ไหนไหนสิ่งทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านมีไนเป็นค่าสิบเหมือนที่เคยเป็นมาทั้งนี้เนื่องจากใจกลายเป็นคุณต่อ ต, อตอนเองเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่เคยสงสมมาเป็นถึงข้อเราทุกทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้เป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญารประกอบองค์ความเพียร พยายามตักตวงจนเพียงพออย่าได้เลอลนะแม้เราจะจากท่านไปแต่ต้นทุนคืออุบาต่างๆที่ได้จากท่านจะเป็นเครื่องหนุนกำลังภายในใจจนปรากฏผลเป็นที่พึงพอันแต่ผู้แม่รับการศึกษาอุรมทํทำไปแบบงูปล า, ปลาผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยปรากฏ นอกจากจะเป็นไปในทางเสียหายโด ย, โดยมากเช่นผู้ชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์เสียแต่อายุพรรษาอย่างน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควรเรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อชอบตั้งสอนคนอื่นมากกว่าตสอนตัวเองเช่นนี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดที่ถูกต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนจนเป็นที่เพียงพอแน่นู้ ศึกกาลังภายในใจของตนว่าสมควรจะแนะนําสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างแม้การนับหมู่เพื่อนเพื่ออบรมก็ต้องคํานวณดูกําลังสติปัญญาและความสามารถของตนถ้ากําลังไม่พอแต่จะรับภาระมากนอกจากผู้มาศึกษาจะไม่รับประโยชน์อะไรแล้วตนเองยังจะกลายเป็นคนเสียไปด้วยผมเคยทราบจาก ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่ฝากปีิจกิจใจของผมจริงๆสมัยที่อยู่กับท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านมารับยมแม่ของท่านบวชและปฏิบัติอยู่กับท่านด้วยจึงเป็นโอกาสให้ท่านมีช่องทางเข้าไปอาศัยและศึกษากับท่านเป็นจำนวนมากท่านกทราบมากำลังใจของท่านยังไม่เพียงพอ ที่จะแนะนำส อ, สอนมู่เพื่อนให้มีความตําบมดนและพยายามปลี่ตัวจากหมู่คณะเสมอมาเลยหาอุบายพายมมันดาของท่านไปส่งที่จังหมดอุบล น, น่าจะทันนับแต่วัดวันรับย ม, มันดามาบวชอยู่ด้วยเป็นเวลาหกปีเมื่อรู้สึกแค่นี้แนวจึงพายมมันดากลับจาก บ้านสามผงจังหวัดนครพ น, พ, นพนมซึ่งเป็นที่พักเลยเดินทางไปโดยลาหนักแวะพักบ้านห้วยสายอำเภอคำกระดีชั่วคราวแล้วผ่านไปถึงอุบลพอทรงโยมันดาถึงบ้านแล้วจึงเป็นโอกาสให้ท่านได้ปีจากมือคณะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้าทิศเจดีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดียวัดโพธิสงพอรอุดรทน จิงปรอาราษนาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพักจำพรรษาอยู่ที่อุดร อ, องท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรบ้างน้องข่ายบ้างสกลุลนครบ้างเนไในกราบไหว้ท่านโดยทั่วหน้ากันเวลาท่านมาพักจำพรรษาอยู่อุดรสองปีและสกุลคนครแปดปี นด้อุตสาห์สั่งสอนพระเดชพระชาชนจนสุดความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านมรณภาพไปได้วยความสงบเป็นที่น่าเรื่มใสอย่างดีไม่เคยปรปลบถึงเรื่องกำลังพอหรือไม่พอมีก่อแสดงให้เห็นได้ ว, ว่ากำลังของท่านเพียงพอทั้ง่านในใต่างและอุบายต่างๆที่เป็นมาตนนั่งแตรรรดาผู้ไปศึกษา ซึ่งนับ ว, ว่าเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแต่ผู้สนใจมุ่งดำเนินตามไม่น้อยเลยฉะนั้นเราทุกท่านควรตระหนักใจสนดการและควรทราบไว้ว่ากำลังภายในใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่เห็นง่ายๆว่าทั้งเราคงมีภาระคือการผุกผลเพื่อแก้ไขตนเองทั้งรับภาระที่การสั่งสอนหมู่เพื่อน ซึ่งต่างก็กำลังตกอยู่ในความนิ้วหวยอาหารคือธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กำลังรับทานทั้งจะแบ่งให้หมูเพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเราและหมูเพื่อนก็ขาดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงควรทราบเรื่องกำลังไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและนอนใจสำหรับผู้มุ่งตออแดนพ้นทุกข์ เมื่อทราบว่าตนยังบกพร่องที่ตรงไหนรีบแก้ไขดัดแปลงทันทีสถานที่สังกัดวิเวกคือสนามไทยของผู้มุ่งเองกก ร, ราบในตัวเองจงปดเครื้องตัวเองในที่เช่นนั้นเมื่อได้ชัยชนะเป็นที่พอใจแล้วจงนำธงไทยคือวิราโคนิโรโถนิพพานัง เข้าสู่วงโมฆคณะเมื่อความองอาจในหลักความจริงที่ตนได้ไปจักกับใจมาแจกจ่ายมือเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งเป็นพิษเข้าเคลือบแฝงแม้แต่น้อยทั้งจะเป็นที่ภาพดึงใจตนเองและทุกท่านที่เข้าไปรับการศึกษาสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์ในคุณธรรมที่กล่าวมาน จึงสามารถสั่งสอนม น, นาจิตผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากกว่าธรรมนาที่ควรจะเป็นไปได้แต่คนมีจำนวนมากและนิสัยต่างกันจึงเป็นที่หนักใจแห่การสั่งสอนอยู่ไม่น้อยเจะาพ่อภูมมุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนได้ง่ายทตั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเต็มที่จนสามารถรู้ตามเห็นตามท่านในหลัก ในลักษณะอาจารย์ถึงไหนลูกผิดก็ถึงนั่นอย่างนี้ก็มีแต่จำนวนน้อยเราลงมาก็พยายามถ่ายทอดข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจตามปติปัญญาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและวงพระศาสนาต่อไปแต่ที่คอยจะทำลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออัดข้อทำจากการเนียงศึกษาเลยก็มีจานวนมาก ทางนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยววิสัยควรถือว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันไปจําโลกจะไม่เป็นข้อกังวลท้หนักใจแก่ตวเองอุมายของอาจารย์ที่มาแนะนํา ส, สอนพวกเราได้มาด้วยความฉลาดและเพียงพอวัดตวงดูกําลังของตนเทียบกับภาระที่จะนํามาแบกขามแต่ความฉลาดรอบคอบไม่เพียงพอ เราอาจจะลุ่มจมไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้ำเราไปช่วยเขาด้วยความโง่เราอาจจะล่มจมไปกับคนตกน้ำนั้นก็ได้ดังนั้นผู้มาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่จะพยายามตับตวงความเพียรให้ได้สติปัญ ญ, ญาเต็มความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปตองเข้าหาที่ ส, สัดหิเว และสู่ต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นกังวลกับสิ่ง ใ, ใดๆนี่ตนกับธรรมคือความเพียรเป็นไปอยู่ในเอียบททั้งหลายไม่ขาดว่าขาดตอนและไม่เสียเวลาไปเพราะปิการิอีกเมื่อมีข้อข้องใจในธรรมเกิดขึ้นพยายามมาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทาไปตามอัตโนมัติของตนจะผิดทาง อย่างน้อยก็เนินชาอย่างมากก็ทำตัวให้เสียเพราะความไม่เอียดแทงทมไม่สิ้นจุดอยู่กับท่านผู้ดโปรดจำไว้อย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดจากกียางระยิซึ่งเห็นว่าไม่ผิดจากหลักและทำมวินไหนแนว้วจงถือหลักเหตุผลเป็นของสำคัญและเรามาศึกษาเพื่อธรรมะยานำโลกเข้ามาด้วย การนำโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองมีอย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกันคำว่านำโลกเข้ามาพูดง่ายๆก็ว่านาทิฏฐิมาณัตนั่นเองถ้านำธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกำลักเหตุผลเสมอไป ถ้าถูกต้องกำลังเหตนผลแล้วชื่อว่าเป็นธรรมรีบยิดมาเป็นเครื่องสอนใจตน ท, ทันทีเมื่อเป็นผู้ใคล้ต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเท่านี้แล้วเรื่องศีลไม่ต้องหวั่นเพราะเคยรักษาทุกวันด้วยความใคล้ต่อสีล้องตนศีลต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อในรับการกดขี่บังคับด้วยสฏิปัญญาอยู่เสมอแล้ว อย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสงบที่สำคัญคือเรื่องของสติจงตั้งไว้ตลอดเวลาในเรื่องของปัญญาก็ต้องค่อยควณเมื่อสติจับไว้ปัญญาต้องพิจารณาคลี่คลายหรือตัดฟันอย่างนิ่งสมอไปความสงบจะต้องเป็นไปในคิตโดยไม่ต้องสงสัยท่าใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของพระศาสนาไม่ทราบว่ามีแค่ไหนคาด อย่างนนั้นเ ต, ต่อไปความขี้เกลียดขี้คลานเข้ามานั่งอยู่บงที่สักคือหัวใจใช่แล้วความเพียรก็ล้มละลายศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปเสียสมาธิก็กลายเป็นความฟุ้งไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความโง่เขลาไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าความเกลียดคลานได้เหยียบย่ําที่ตรงไหนแล้วพึ่งทราบมาที่นั้นต้องแหลกละลาย เช่นเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหมหรือเผาอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้แต่เหล็กแข็งก็ยังละลายไปได้เพราะอำนาจของไฟเรื่องของความที่เกียดบที่คล้ายเหมือนกันเชนั้นเพื่อฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าพระศาสนานมีความลึกซึ้งอยากละเอียดแค่ไหนขอให้ทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ง ส, สอนไว้ท่านสอนอย่างไร ให้กำหนดจับตัวเหตุนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรมีอธิบาตตเป็นเครื่องพยุงความเพียรทุกประเภทผลท่านทั้งหลายจะได้รับเองเช่นให้ตั้งสติและบังคับจิตใจของตนอยู่กับความเพียรที่จรณาในอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ทันว่ามีอาการ3 2ม ผมขนเนฟันหนังเป็นต้นทีพิจรารณาอยู่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมากรรมวาสมาธิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเองใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเป็นชั้นใดก็าตามนั่นแลผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าแห่งศาสนามีแค่ไหน และคุณค่าแห่งความสงบก็อปรากฏให้เราทราบ ป, ประจักษ์กับใจแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแหงความพุ่งเฟ้อเห่เหือมของใจซึ่งติดตรึงอยู่ตลอดเวลาไม่หยียับยัง้งเช่นเดียวกับโครงจักที่เขาเปิดไว้ในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดฉะนั้นใจเริ่มสงบก็เริ่มเป็นจุถ้าเดินทางก็เริ่มจะถึงร่มไม้และและท่าน้า เพื่อการพักอาบดื่มสบายหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเร่งฝึกคน้นหรือปัญญาให้เป็นคู่เคียงกันไปคนแล้วคนคนเล่าเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนะคราดกลับไปกลับมาจนมูลไถมูลคราดแหลกละเอียดแล้วจะเพาะพลูกหรือปักดำก็ควรข้ากล้าหรือสิ่ง พอปลูกก็งอกงามดีใครชอบปัญญาไข้ครวนกลับไปกลับมาไม่หยุดยัง้งผู้นั้นและใจเจริรับปุ๋ยคือความยืดเดยแ้อขึ้นภายในใจทั้งปัญญาก็ไข้ครวนอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งความเคยกินทั้งการตั้งสติทั้งสมาธิก็เป็นไปโดยสม่ำเสมออยู่ที่ไหนก็เพิดเพลิน เช่นเดียวกับเศรีเพลินในรายได้ของตนแม้กำกำลังนั่งรับทานอยู่พอเห็นลูกค้าเดินผ่านเข้ามาหน้าร้านเท่านั้นเขาต้องลุกจากที่ทันทีเพื่อความประสงค์อะไรจากลูกค้าที่มาติดต่อเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือเงินนั่นเองมี่ผู้เริ่มจะเป็นเศรษฐีภายในใจคือเศรษฐีธรรมะต้องเป็นผู้เพืเ่อเพิน ในความเปลี่ยนของตนดิเวเนนั้นปรีตัวเข้าสู่ที่ชั้หนาเท่าไหร่ยิ่งเพลนปรีกออกจากหมฆะณะและหูชนไปเท่าไหร่ยิ่งเพลินกดก็ตามอิ่มก็ตามเรื่องของจะ ย, ยิ่งเพลินต่อการตั้งสติเพลินต่อการค้นคิดด้วยปัญญาเพลินต่อการแก้ไขจิตใจของตนโดยระดับวันหนึ่งคล้ายกับมีเพียง คือหชั่วโมงคือหนึ่งคล้ายกับมีเพียงสามสี่ชั่วโมงเพราะจิตไม่ได้คิดไปถึงในเรล่เวลานาฬิกาที่ไหนเพลินดูแต่ความเกิดความดับของสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบด้านและประกาศตนตามหลักคอจริงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอแล้วมีจิตมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเคลน ที่แรกก็ต้องถูไถยกันไปกดขีบบังคับกันไปเช่นเดียวกับเขาบังคับผู้ต้องหาที่มีโทษหลักนั่นเมื่อได้จังหวะและเห็นความสามารถของสติปัญญาแล้วยิ่งเพลินนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเว้นเขียนตหลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็จับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเพียรทันทีไม่ อ, อึดอัดเนื่อยนานให้เสียเวลา มีสติปัญญาประจําตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจนสามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงพระอํานาจของความเพียงในรลละใจที่เคย อ, อยู่ได้อํานาจเคออยู่ใต้อํานาจแห่งการบังชาของกิเลสมานานก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาและรู้เรื่องของตัวเองโดยตลอดไม่มีรีนัก ที่เหลืทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่บนหัวใจมีอวิชชาผู้เรืองอำนาจในใจพบเป็นผู้ครองวัตจักก็ได้ถูกทำลายลงด้วยมรรคยานอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลายเป็นนิวัตขึ้นมาในขณะนั้นความอัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแห่งวิงมุตได้แผ่กระจายไปทั่วสันสะพานร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะ วิชาวิมุตขึ้นเรื่องอำนาจอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่ปดลอยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชาบังคับต้องจำไว้ให้หดุน้อยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระของตนตามลำพังและประกาศความเสมอภาคให้ทั่วถึงกันหมดความตำหนิติทมในสภาวะธรรมทุกประเภทปรากฏเป็นเด่นอยู่ด้วยความเป็นเป็นธรรม ในสภาวะทั่วๆไปความเป็นทั้งนี้แม้จะอุทานขึ้นมาภายในใจว่าสุ ข, ข้างวตะสุ ข, ข้างวตะก็ได้แต่ไม่กล่าวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าดังนั้นนักบราดท่านจึงไม่พูดพร่ำในที่ทั่วๆไปเพราะท่านฉลาดในสถานที่บุคคล และการเวลาที่จะควรพูดนะเบามากน้อยทั้งท่านกลัวโรคบ้าน้ำลายพุ่งไปพุ่งมาถึงกับเขาหาว่าบ้าน้ำลายก็มีมากรายเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องหา้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเลาดต้องฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกจะเป็นสุขโต ไม่เป็นคนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีภยัยไม่มีเววคิดไปไหนก็ไม่ปิดไม่ของโลกบิทูรู้ทัดทั้งโลกในคือเรื่องของตนเองทั้งโลกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่ ว, ท, วทั่วไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้องนี่คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงเนตตังน้าธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้ว ผลผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนท่านนักปฏิบัติไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออย่าต้องการสุกก่อนถามก็แล้วกันความขี้เกียจขี้คร้านเป็นตัวก่อเหตุให้การงานที่จะได้รับผลล้มละลายไปทันทีแค่นั้นจงอย่าเอาความเขี้คร้านความทอแท้อ่อนแอเข้าไปทํางานด้วยจะไปทําลายงานของเราให้แหลกไปหมด ไม่มีอะไรเหลืออยู่โปรดทราบไม่ว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนต่อสิ่งที่ชอบมีอยู่ในบุคคลและสถ า, านที่บ้านเมืองใดเขาเหล่านั้นต้องเจริญรุ่งเรืองโดยลำหับจงนั่งนำทำเหล่านี้ไปสร้างความเจริญในตัวเองจนปรากฏผลตามที่ได้อธิบายมาแล้วและอย่าลืมตัวไปว่า ความกิจคร้าันเป็นคุณต่อโลกและต่อธรรมวันนี้ได้อธิบายธรรมะแต่ต้นคือการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นลำดับมาจนถึงโลกวิถีแดแนแห่งความเปิดเผยทั้งภายในใจของตนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารอิกอ ย, ย่างทั้งภายนอกคือรูปเสียงสิน่นรถเครื่องสัมผัสและธรรมาลทั่วทั้งโลกฐาน ที่ยังเหลืออยู่คือขันล่วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแวนเพียงครองกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงการของเขาจะแตก่ก็แตกไปเมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปไม่มีอารมณ์ข้องใจเพราะอนุคตของขันก็รู้เท่าอดีตของขันก็รู้ทันปัจจุบันของขันก็ไม่อิจฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย ซึ่งเราเองก็ให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติคนอื่นก็ยังจะให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติจงอย่าให้เสียชื่อเราว่าเป็นนักปฏิบัติด้วยจงอย่าให้เสียชื่อเสียนามที่โลกทั้งหลายได้ให้นามว่าเราเป็นนักปฏิบัติด้วยผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติก็อย่าให้แคล้วคลาดจากเราไปได้นับแต่เบื้องต้นคือความสงบ จนถึงวิมุตฺถานีผพานจงพยายามทำให้เปิดเผยขึ้นกับใจของเราดวงนี้ให้สมกับธรรมาโลกวิถุซึ่งเป็นแดนแห่งเรามุ่งหวังเราทั้งหลายจะหมดปัญหากับพบกับชาติความแก่เจ็บตายอันเป็นตัวผลเกิดมาจากอิธาไม่มีอันใดเหลือในเอวสานแห่งพระธรรมเทศนานั้น ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้ทิ้งโล ก, กระวีถูอันเป็นแดนแห่งความเกิดเผยทุกทุกท่านดูหนีพลังเธอ